แล้งวดต่อไปนี้จะหมดจะพูดเฉพาะศรัทธาจริตกับพุทธจริตจัทวาลเองเราเรามีอาหารที่สองอย่างเห็นไหมความจริงคนที่มีศรัทธาจริตกับพุทธจริตขวบ ม, มีได้เปสียมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งศรัทธาจริตอย่างเดียวก็มีหวังพระโสดาบุตรกิริทาคาอยู่แล้ว ก็ไปกับการที่สองสตาจริกตัวท้ายเสจาานุสติก็เป็นตัวตัดหลวงพระฟามโลกอยู่แล้วได้เปรียบมากเมื่อคืนนี้พูดหนึงพุทธจริกควบหลายอย่างเข้าใจว่าจะเข้าใจน้อยไปแต่ก็มีความจำเป็นต้องพูดวันนี้ก็จะขอพูดควบพุทธจริกกับรากับสธาจริต แต่ว่าสทาจริตของพูดไม่จบเพราะว่าสทาจริตมีกรรมฐานไน่หอย่างที่ต้องใช้นั้นบรรดาแต่พุทธบริษัทถ้ามีพุทธจริตกับสัตาจริตควบก็เป็นบุคคลผู้เข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายเป็นจริตที่ด้เกียบมากสำหรับพุทธจริตที่บรรดาแต่พุทธบริษัททรงตัวอยู่แล้ว นั่นก็คืออุปสมารุติกรรมฐานอุปสมมานุติกรรมฐานนั่นหมายถึงานว่านึกถึงผลิพานเป็นอารมณ์คือครูคนใดมีความต้องการผลิพานและคิดว่าถ้าตายชาตินี้เราหวังผลิพานไปที่ไปนั่นเป็นอุปสม า, มานุติก็ถือว่ากรรมฐานสําหรับผูธธ้ตั้งจิตประจามใจเรามีอยู่แล้วหนึ่ง ข้อสมคัญข้อเด่นสองในพุทธจริตก็คือมรณานุสติคำว่ามรณานุสติให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์คำว่านึกถึงความตายเป็นอารมณ์นี่ก็ไป็ใสัญลักความว่าจะต้องนั่งนึกคือยู่ตุ่นลงให้ใจเขาออกการคิดที่เราไม่ใจึถึงความตายทุกลงให้ใจเขาออกนี่มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวถ้าอารหัน์เองก็ยังห่างจากนั้นมาก คือแม้พระสงฆดาบันก็ห่างมากกว่านั้นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัธถามพระอา น, นุนว่าอนันท่าดูก่อนอนอนุ์เธอนึ่อึ้ความตายวันในสิบครั้งนอนุนกราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข่ า, าวเมื่อเจ้าเนื่องขึงความตายวันประมาณสิบครั้งพเจาค่ะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ายังห่างมากอนอนุ์สถานโคตรเองนืง่งึความตายทุกลมให้ใจเข้าออกมีโอเดียวนะ อลาหันก็ยังห่างพระานั้นมีทุกวันแน่แต่ไม่ทุกองเข้าใจเขาออกเพราะบางครั้งก็ต้องคิดเหมือนกันจะมีข้าวกินหรือเปล่าจริงไหมก็ไป็นนั้นว่าท่านที่นึกถึงความตายทุกวงเข้าใจเขาออกมีพระเจ้าองค์เดียวท่านี้มาดูถึงระโสดาบันพระอนนท์นะท่านเป็นระโสดาบนฟังเทศจบเดียววรมีท่านแม่คงมาก ท่าก็เป็นพระโสดาบันท่ายบอกว่านรื่องถึงความตายวันละประมาณกี่ครั้งถ้าเราเล่าพุทธบริษัทอย่างน้อยก็ควรจะนึกถึงความตายสักวันละสองครั้งครั้งแรกก็คือก่อนหลับก่อนจะหลับบูชาพระอันดับแรกนึกถึงความตายก่อนให้คิดว่าเราหลับลงไปคราวนี้เราจะได้ตื่นเห็นท่าที่ขึ้นใหม่หรือไม่ก็ไม่ทราบ อาจจะตายเ้นระหว่างคืนนี้ก็ได้หลังจากนั้นแล้วก็ตัดสินใจยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตั้งใจให้มม่นคงในสินห้าประการและก็หวังพรนิพพานเป็นที่ไปทั้งเวลาตื่นใหม่ๆก็คิดแบบนี้เท่านี้พอถือว่าไม่ลืมความตายเทาความว่าความตายนี่เราจะกาหนดหมายแน่นอนไม่ได้ ไปคิดว่าเรายังแก่น้อยเกินไปยังไม่ถึงไม่ไม่ควรจะตายอย่างนี้ก็ไม่ถูกหรือว่าเรายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่ควรจะตายอย่างนี้ก็ไม่ถูกท่านนี้เพราะว่าคนตายที่ตายให้เราเห็นบางคนยังไม่ทันออกจากคันมารดาก็ตายบางคนออกจากคันมารดาแล้วไม่นายก็ตาย บางคนเป็นเด็กพอเดินได้ยืนได้ก็ตายบางคนพอเป็นเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวก็ตายอย่างนี้เป็นต้นกลวงความว่าความตายจะเข้าเราเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบดังน้ให้คิดตามที่พระเจ้าทรงแนะนำโมเสสการีที่ได้กล่าวว่าความชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเธอเัองหลายจงอย่าคิดว่าความตายจะเข้ามาถึงเราในวันพรุ่งนี้ ให้คิดว่าความตายอาจจะถือเราวันนี้ไว้เสมอถ้าคิดอย่างนี้ทุกคนก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าอาจจะตายในวันนี้ก็หนึ่งยึดมั่นของเราที่เราจะยึดไว้เป็นการป้องกันอบัญญัติคืนหนึ่งพระพุทธเจา้าสองพระธรรมสามพระอริยสงฆ์สี่ศีลทั้งสี่รายการนี้จะป้องกันไม่ให้เราลงอบัญญัมิแล้วก็ไม่เจนลงไม่ไม่ลงชาตินี้ชาติเดียว เราจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกกี่ชาติก็าตามขึ้นชื่ว่าบายปุมมทั้งสี่คือ น, นรกเปรตสุรการสยสติฐานจะม่มีการลงอีกทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าทรงอารมณ์สี่ประการนี้ไว้ท่านเรียกว่าปโสดาบันนี่คืหมายความอันดับแรกในอุปสันในพุทธจริตเราก็ยึดความตายอีกอรมณ์หนึ่งเป็นอารมณ์เข้าไว้เพื่อไม่ประมาทในชีวิต พระที่รุทธเจ้าทรงตรัว่าคนที่มีมาราณานุนติกรรมฐานเป็นประจำท่านพวกนี้ไม่หวาดหวั่นในความตายทั้นี้ก็เพราะว่าคนที่คิดว่าจะตายคนประเภทนี้เขาจะพยายามทรงความดีไว้เสมอนี่หนึ่งสําหรับบรรดาแต่พุทธบริษัท ต, ต่อไปก็มาพูดกถึงศรัทธาจริตคําว่าศรัทธาจริตหมายว่าจิตชอบเชื่อ ถ้าจิตชอบเชื่อในี่ยถ้าผู้นำดีก็สามารถได้มักได้ผลเร็วถ้าไปเจอผู้นำไม่ดีเข้าก็เสียมักเสผลเร็วเหมือนกันไอเสียมักเสผลแปลว่าอะไรเนี่ยไปไปข้างข้างของครูใช่ไหมตอนนี้ถ้าพระพุทธเจ้านำตามคำแนะนําของพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลใดมีศรัทธาจริดเป็นเครื่องประจําใจ ท่านให้ใช้กรรมฐ า, านหกอย่างเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทุกอย่างก็ได้เอาไว้เป็นอารมณ์ของเรากรรมฐ า, านองคอย่างก็คือหนึ่งพุทธพุทธจริตไอพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ 2. ธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมเป็นอารมณ์สสังขานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นอารมณ์สี่ศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นอารมณ์นือปฏิบัติในศีลคงที่ ห้าจารคานุสตินึกถึงทานการบริจาคเป็นอารมณ์บางจะให้ทานไว้เสมอหเทวตานุสตินึกถึงความดีที่ทำใหุ้คกคนเปน็นเทวตาเป็นอารมณ์สำหรับวันนี้ก็คณยังควจะพูดถึงกรรมฐานสี่ข้อในในศรัทธาจริตรือว่ า, กางกรรมฐานสี่ี่กองและสี่ข้อนี้ประจําใจพุทธบริษัทอยู่แล้วหนึ่ง พุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นี้ก็ใช้ได้สองอย่างวิธีปฏิบัติจะใช้คำภาวนาก็ได้จะพิจารณาก็ได้นไดในไข่คนในความคําว่าพิจรารณามันจะกล า, ายไข่คนในความดีของพระพุทธเจานาน้าก็สุดแล้วแต่อารมณ์ถ้าวันไหนอารมณ์ต้องการทรงตัววันนั้นเขาภาวนาคําภาวนานในพุทธานุสติที่มีมาก อีทีวีโสบท้นทั้งหมดเป็นคำภาวนาของพุท ธ, ธานุสติทั้งหมดอย่างที่ใช้กันอย่างง่ายๆก็ใช้คำว่าพุทโธถึงถวัดปาก น, าน้ำถึงใช้คำว่าสัมมาระหังอย่างนี้ก็เป็นพุท ธ, ธานุสติเหม่กันแต่ว่าจิตต้องการทรงตัวก็มีสองแบบเราจะนั่งเราจะนอนเราจะยืนเราจะเดิน แล้วก็ น, นึกถึงพระพุทธเจ้าที่ทําเสคํำภาวนาว่าโพธโธก็ตามก็ได้หรือวิญญานึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราพอใจความจริงพระพุทธรูปที่มีมากแต่ว่าบางองค์ที่จะจับใจเรามีอยู่บางองค์ก็ไม่จับใจถ้าจิตใจชอบใจพระพุทธรูปอง์ไหนนึกถึงพระพุทธรูปองค์นั้นนึกถึงพระพุทธรูปด้วยภาวนาไปด้วยสำหรับการภาวนา ก็จงอย่าควบเวลาให้มากอย่าตั้งเวลาให้เกินคนดีทางที่ดีก็ไม่ควรจะตั้งเวลาเพราะการตั้งเวลานี้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ทรงฌานถ้าเรายังไม่เป็นผู้ทรงฌานจริงๆตั้งเวลาจะเกิดความไม่สะดวกความลําบากจะเกิดขึ้นผลร้ายจะเกิดขึ้นนั่นคือประโรคประสาทพิธีภาวนาก็ใช้ลมไายใจเขาออกควบคู่กันไป เวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่าพุทธเวลาให้ใจออกทั้งวาโทแต่ถ้าภาวนาไปภาวนาไปถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านทรงตัวไม่อยู่ตอนนี้เลิกเสียลอยจิตจคิดไปตามอารมณ์อย่าถือว่าตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงน้หนึ่นงชั่วโมงสองชั่วโม ง, ม ง, มงถ้าไม่ครบตามเวลาเป็นคนไร้สัจจะอันนี้ไม่ควรจะทำแบบนั้น ทำแบบนั้นเป็นการถือปริมาณของเวลาเป็นสําคัญไม่ถือคุณภาพของจิตให้ถือคุณภาพของจิตเป็นสาคัญถ้าว่าเราจะภาวนาได้จริงๆมีจิตทร ง, งตัวตัสองสามนาทีมันทนไม่ไหวต้องเลิอกอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรรา่ว่าขณะใดที่ภาวนาอยู่ขณะนั้นจิตว่างจากกิเลสท่ <c oughs> ที่พระเจ้าสอนว่ต้องการอย่างเดียวให้ฝึกให้จิตว่างจากกิเลต ขณะใดาที่รู้ลงไว้ใจเข้าออกขณะนั้นกิเลสก็ไม่สามารถจะยุ่งกับใจได้เพราจิตไปห่วงกระล LOAT ใ, ใจเข้าออกแล้วก็ขณะใดภาวนาว่าพุทโธจิตยังนึกถึงคํำมาพุทโธอยู่ขณะนั้นกิเลสก็ไม่สามารถจะยุ่งกับจิตได้ถ้าส ต, ติไม่สามารถจะทรงสมาธิได้นานเพียงแค่นาทีสองนาทีสานาทีก็ฟุ้งซ่าน เราจะเลิกถ้าจะถือว่าเป็นการขาดคุนก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจิตเราว่างจากกิเลสวันหนึ่งทุกนาะจิตเดียวพระพุทธเจ้ากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจากฌาน <c oughs> ให้ถือคุณภาพของจิตเป็นสำคัญถ้าถือปริมาณของเวลาไปสําคัญตั้งเวลาไว้สักครึ่งชั่วโมงถ้ายังไม่ทันถึงชั่วโมงจิตเริ่มโค้งสัน้นเราก็ถือเวลาไปสําคัญมันก็คุมจิตไม่อยู่ สมาธิไม่ทรงตัวก็เกิดอาการกลุ่มตอนนี้จะเป็นโรคสมดัจทิ่ก็บอกว่าจเจริญกรรมฐ า, านแล้วก็บ้าเนี่ยเป็นว่าเหตุที่เป็นสำคัญถือเวลาเป็นใหญ่มีกรการที่สองไดกว่าเราจะใช้สมาธิจิตในพุทธานุสติ <c oughs> ถ้าบาังเอิญที่บ้านมีพระพุทธรูปอยู่เราจะนั่งลรวจ ะ, จะนอนก็ได้ไอ้การนั่งไม่บังคับที่อยู่พิบ้าน จะนั่งคดามาจะนั่งพับเพียบนั่งเหยียดขาก็ได้ ถ, ด ถ, ดไถ้าเหยียดขาจะเหยียดขาไม่ทงพุทธรูปถ้ามันเมื่อยจะนั่งเกาอีกก็ได้จะเอ่งกายาก็อีกก็ได้นอนก็ได้อันนี้มันอยู่หว่าพวกดียาบทนี่ใช้ได้ทั้งหมดเพราะการปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติทางกายเป็นการปฏิบัติทางจิตการควบคุมจิตให้ทรงตัวถ้ามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านถ้าอยู่ในห้องพระพุทธรูป หลับตาภาวนาจิตมันฟุ้งซ่านก็ลืมตาภาวนาการลืมตาภาวนาบางทีลืมตาไม่ต้องภาวนาก็ได้ถ้าภาวนามันฟุ้งก็ลืมตาดูพระพุทธรูปว่าพระพุทธรูปองค์นี้สีอะไรสีเหลืองหรือสีเขียวหรือสีขาวหรือสีแดงเทพธิดารูปสีแดงมีไ้มเขาไม่ทํากันนะเอามาจากไหนเธอไปประเทศมี ก็เป็นว่าพุทธรูปสีอะไรก็ตามนั่งดูพระพุทธรูปท่าจิตยังคิดว่านี่เป็นพระพุทธรูปนั่นเป็นพุท ธ, ธานุสติถือว่ามีสมาธิในการในพุท ธ, ธานุสติกรรมฐ า, าน เ, าเวลานั้นจิตไม่ได้ไปไหนอยู่ที่ภาพพระพุทธรูปนี่แต่ว่าเอิญพระพุทธรูปมีสี้าพพุทธรูปเป็นสีเหลืองเราดูสีด้วยแล้วก็นึกว่าท่านเป็นพระพุทธรูปด้วย ก็ได้กรรมฐานสองอย่างนึกถึงพระพุทธรูปดูพุทธรูปนี่เป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้ามีความเข้าใจว่าพุทธรูปองนี้มีสีเหลืองหรือสีทองก็เป็นบิจยกาศจตสินได้กรรมฐานสองอย่างถ้าบังเอิญเวลานั้นอะไรกำหนดรู้ลงในใจเขาออกไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยเขาก็ได้กรรมฐานอีกเส แล้วได้อนาปานุสติกกรรมฐานกับภาวนาในพุทธานุสติกกล่าวความว่าเราจะดูจิตทรงตัวได้เท่าไรก็ตามถือว่าเวลานั้นจิตทรงสมาธิในพุทธานุสติสกมถานมีเป็นลักษณะแห่งการปฏิบัติในพุทธานุสติในการทรงตัวถ้าจะพูดกันไปไมันจบยาก <c oughs> ทีนี้ไม่ตอนหนึ่งพุทธานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าอนุสติจริงๆให้ใช่าตามนึกถึงตามนึกถึงภาพเฉยๆด้วยความเคารพก็ใช้ได้อีกอันหนึ่งถ้าจิตมันจะต้องการคิดสภาพของจิตในสภาพไม่แน่นอนบางเวลามันต้องการทรงตัวนิ่งบางเวลามันก็ต้องการคิดถ้ามันต้องการคิดก็คิดถึงความดีของพระพุทธเจ้า ว่าพระพุทธเจ้าที่ทรงบัติขึ้นแล้วในโลกมีการสรงครบรดาวมวลชนงหลายอาศัยคําสอนของพระองค์เป็นสำคัญให้รู้จักบาปปุลงคุณโทษประโยชน์ที่ใช่ประโยชน์แต่โดยเฉพาะอ ย, าอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราพ้นจากความทุกข์ขือไปนิพพานคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นถ้าจะกล่าวอะไรจริงๆมั่งและเกินถึง8ปดพัสันัวข้อและ8ปดพัสพันเรื่อง ถ้ากล่าวโดยย่อแล้วคําสอนพระพุทธเจ้ามีคําเดียวคืออปมาเดนะสัมบารเดทคืงแปลเป็นใความว่าท่านทำหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคํานี้พระพุทธเจ้าทรงตัยข้พาพนนท์ในวันที่จะเข้าสู่พระธรรมปิมิตรผ่านพระอานนท์ได้ระลานกโองค์งสมเด็จพระทิ่จะมนันเรื่องการเรื่องการที่พระเจ้าทรนมิผ่านแล้วไม่มีใครสอน สมเดจพระจินนวโรนกล่าวว่าอนั น, นทะาดูก่อนอนนท์ว่าทำทำไม่ในที่เราสอนพวกเธอทั้งหมดล้วนอยู่ในคำคำเดียวคือคําว่าไม่ประมาทแต่ว่าถ้าใช้คํานี้คําเดียวบรรดาแทนพุทธบริษัทอาจจะไม่ขนยายนก็มีถ้อยคำอีกหมดหนึ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในโอวาทปาดิโมคที่ได้กล่าวว่าเป็นสามข้ อ, ขอสมตอนด้ยกันเอามาเฉพาะนะ ว่าสัพพปาปัสสะการนังอุสระสุวั ส, สมัทานภิกิตาปริโยทพันนังเอตังพุทธานาศาสนงความจริงภาษาบาลีไม่ต้องจำก็ได้ซึงแปลเป็นใจความว่าดูก่อนพิสุทันไลเวลาที่เธอไปไประกาศศาสนาจงแนะนำให้คนทุกคนละความชั่วทุกอย่าง ขึ้นเรื่องความชั่วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีละเสร็จทุกอย่างสองกฎสระสูตรสมถาให้ทุกคนปฏิบัติเฉพาะในได้ข้ความดีสามสจิตตบเดียวเถปันนังทำจิตใจผ่องใสใจเ ก, กเลสเอตังพุทธานาสาสนังพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพุทธเจ้าทุกอง์ตรัสอย่างนี้เหมือนกันหมด อันการที่เราจะนั่งดูพระเจ้าทําจิตคิดคิดถึงพระความดีพระเจ้าไม่คิดมากเพราะแปดหมื่นสี่พันข้อนี่เยอะแยะจําไม่ได้อาจจะคิดเฟื้องไปก็มาคิดว่าที่พระเจ้ากล่าวว่าจงละความชั่วทอย่างทําความดีทุกประเภทและก็ทําจิตใจผ่องใสเบื้องต้นทำยังไงการละความชั่วทุกอย่างก็ให้ถือสินห้าหรือกำหมดสิบไป็นสำคัญ เพียพาะอย่างยิ่งควรจะเป็นกรรมบวสิทธิเพราะทําจิตให้เป็นสุขทําทุกคนให้มีความสุขก็กมบวสิทธิ์ก็ทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติในกรรมผิดทางกายทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอนสิทธิ์เแตกเร้ากันไม่พูดวาจาที่ไรประโยชน์ทางจิตใจก็ไม่อยากได้ทราบสมบัติของบุคคลอื่นใดโดยไม่ชอบทำ ไม่ฆ่ า, าจองไล่จองฝ่ายของคนอื่นมีความเห็นตรงกับพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนอย่างไหนว่าดีทําอย่างนั้นถ้าทําอย่างนี้ถือว่าใส่ความชั่วถ้าไปทํำทิ้นปาณาติบาเป็นต้นถือว่าปฏิกระพเสร็จความชั่วกลัวความว่าทั้งกายและวาจาและใจเราไม่ชั่วเบื้องต้นก็คิดเพียงแค่นี้ก็พอ ว่าหนเราคิดว่าพระพุทธเจ้าสอนเราว่าจงอย่าฆ่าสัตวนะ์เราก็ไม่ฆ่าสองอย่าลักทรัพย์เราก็ไม่ลักสามอย่าไม่จะ่ามาพุทธพฤติกรรมเราก็ไม่ทําวาจาที่ชั่วคือวาจามดเหตุวาจาหยาบวาจาส่อเสียดวาจาไม่ไม่เป็นประโยชน์เราจะไม่พูด น, นีเป็นกําบดศีลกำหนดศีลไม่มีข้อสุรายอยู่ด้วย ยิ่งไปถามว่าดืโซราบาปไหมเขาต้องตอบว่าบาปแต่คนที่ถือกมลศิษิ์นั้นก็ไม่ดื่มโซราเขาใจมันดีแล้วด้านจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครนอกจากจะคิดให้อย่างเดียวและบริ <c oughs> การในสองไม่คิดจองล้างจองฝันใครมันยังโกรธอยู่แต่ว่าจองล้างจองฝันไม่ขังความโกรธไว้นาน ข้อสุดท้ายด้านจิตใจทางความเห็นนี่ถูกไมาความว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะลนําเราอย่างนี้ในกำหนดสิบเราปฏิบัติตามถ้าเราคิดตางแค่วนไปวนมาแค่นี้ก็พอข้ออะไรเลี่ยเราะว่าการหนึ่งทำวาจาให้เสียทํากายให้ดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่พูดถึกรรมแล้วเราสาวาจาให้ดีไม่พูดบดไม่ไม่พูดบทไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดวาจาได้ประโยชน์ ทั้งสอนรายการนี้คุมใจเราให้ไปสวรรค์ได้แล้วมาส่นในด้านจิตใจไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นไม่คิดวัตถุสร้อยไม่จองล้างจองผามุกคนอื่นมีความเห็นตรงตามคําำพุทธเจ้าส อ, สอนสามข้อนี้เป็นปใจใัจจัยบรรดายแต่พระพุทธบริาัส่ข้านิพ่านโดยตรงกล่าวความว่าท่านนั่งดูพระพุทธเจ้า ว่านั่งดูก็ได้นอนดูก็ได้ยืนดูก็ได้เดินดูก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ดูพระพุทรูปแต่นอนนึกถท่านใจมันอยากคิดก็คิดว่าเราจะรู้จักความชั่วความดีได้เพราะอาศัยสมเด็จตุลาสมาพระเจ้าโสอนแล้วเกิดมาคราวนี้ไม่เฉยทีเกิดเมื่อเกิดมนุษย์แล้วเราไม่ยอมย้อยกลับไปอบยยัยผูก เราจะเว้นแต่การฆ่าสัตยยว์เราจะเว้นแต่การลักทรัพย์จะเวินแตการมุขกิในกรรมจะไม่พูดชั่วจะไม่คิดชั่วตามทีกลามมาแล้วคิดแค่นี้วนไปวนมาก็พอในขณะดูพระพุทธเจ้าเนะีเป็นพุทธานุต ส, ส, สตินะกลอ่าวว่าพุทธานุตติมีวิธีปฏิบัติหลายอย่างเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆคือจงอย่าตั้งใจว่าเราจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้ เ, เราจะเพาะ เพว่าอารมณ์จิตข้าเรานี้ไม่แน่นอนบางครั้งมันอยากจะคิดเราต้องการจะส่งตัวมันส่งตัวไม่ได้ถ้าส่งตัวไม่ได้มันอยากจะคิดเราอยากจะให้ส่งตัวก็เกิดอาการกลุ่มถ้าส่งตัวไม่ได้จริงโรคหัสใยก็เกิดอย่าฝืนถ้าบางครั้งเราต้องการจะใช้ปัญญาใหส่วนแต่จิตปัญญาจะส่งตัวคิดเะไรมันไม่ยอมคิดมันจ ะ, จะมันจะนิ่งก็ปล่อยมันนิ่งไป การที่ไม่คิดแต่ว่าทําจิตนิ่งเป็นสมาธิก็ถือว่าจิตว่างจากกิเลสขณะใดที่เราใช้ส่วนพิจารณาความดีเพรสมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าเวลานั้นจิตเขาว่างจากกิเลสไม่ว่างเหมือนกันเราสองอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ใช้ได้มีเป็นพุท ธ, ธานุสติสําหรับธรรมานุสติก็ใช้หลักสูตรเดิมว่าหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนในละความชั่วทุกอย่างเราจะไม่ทําความชัว่ว คามชั่อันดับแรกถือเรื่องสิลและกรรบฏศิษย์เป็นสำคัญถ้าละเมิดศินและละเมิดกรรบฏศบษย์ก็ถือว่าทําความชัว่วถ้าเราปฏิบัติตามสินเคารพสินเคารพกรรบฏศิษย์ก็ถือปฏิบัติความดีเอาแค่นี้ก็พอถ้าทำนี้พูดไม่จบเหมือนกันต่อไปพระอารียสงสั้นดับพระสงฆ์ที่ใช้คําว่าพรอรียสง์นี่พระอรียสง์นี่แน่นอนใช้คําว่าพระสงฆ์นักบวชเฉยๆนี่แน่นอนแล้ว ดีไม่ดีพระเจ้างโงส่สิพระไตรปิฎกใช่ไม่ได้เห็นไหมนะอย่างนี้เราก็เชื่อไม่ได้ต้องถือพระอริยสงฆ์เป็นสําคัญพระอาริยสงฆ์ละเห็นได้ที่ไหนแล้วนึกไม่ได้ที่ไหนก็ยึดคำบอกลาภาษาลิบุตเป็นสําคัญนึกถึงความดีของท่านแล้วนึกถึงพระมหาเจ้าศพก็ได้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินวนวรส เรานที่เราจะมีการใชยนี่มีพระมหาอิศกเป็นหัวหน้าเมื่อพระพุทธเจ้านิพผานแล้วแต้งพยายามรวบรวมพระอราหันต์บริสมทธิทายานเอาเฉ พ, พาะที่รับคำสอนโดยตรงจากพระเจ้าโดยตรงมาถึง499องค์ขาด521องค์ความจริงพระอรหันต์บริสมทธิทายานมีมากกว่านั้น ตาต้องไว้เพื่อพระอนร์องค์หนึ่งเพราะว่าพระอน์นีเป็นพระที่ทักคําสอนโดยตรงจากพุทธเจ้าทุกแบบอย่างเพื่อก่อนที่พุทธเจ้าจะให้เป็นโพุทธองค์พระธรรปฏิบัติพระองค์ก็อนนรขอพรแปดรายการเพราะแต่ว่าพรข้อหนึ่งมีว่าถ้าพระองค์ไปเทศให้ใครฟังที่ไหนถ้าถ้าพุทธเจ้าไม่ได้อย Shop nee ู่ที่นั่นโดยกลับมาก็เทศอีกครั้งหนึ Birmingham ่งเป็นไง พระเจ้าต้องเทศสองกันถ้าไปองเดียวไปเทศเส้็เขาฟังกันแล้วกลับมาต้องเทศเห้พระอนนฟังกัน่อจำไว้เพราะพระอนุนเป็นพระที่จำคำสอนทุกรายการพระเจ้าโดยตรงจังละเว้นไม่ได้แล้ววันก่อนที่จะเขาจะทำสังขยนากคืออยังคมบูรณวาทำพวกนี้คืนนี้ถ้าก็ไุอาารรรณาไป่สมิธา ย, ยาน รงความว่าการสังเคานายคือร้อยกรองบัธรรมมรรัยที่สมเด็จตระสามมรรยาเจ้าส่งสอน8ปดื่นสี่พันบระจารมขันเราได้มาจากพระสงฆ์โยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ที่เป็นบริสมิทายานอาราันทั้งหมดอารานันบิสมิทายาน ม, มีความสําคัญมากอาราันมีสี่เหล่าคือหนึ่งสุขเขป็นสโก2อตโทที่เรียกว่าวิชาสาม สามละิญโญที่เรียกว่าปิญญา6กสี่เป็นสีเป็นสัมทปโตครรือึง็มิา ย, ยานพระเป็นมิทายานนี้ถือว่าไม่รู้อะไรในอย่างเดอเกินเรามากก็มีความฉลาดมากมีความเข้าใจได้ดีมากดีกว่าหลนี้สามเราแต่ว่าต่างการตัดกิเลสต้นตัดเหมือนกันถ้าเราจะนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกถึงใครไม่แน่นอน รพระโมคขลาภาษาลิบุตรอกพระมหาการสบเป็นทุพันธ์ก็ใช้ได้ไม่เป็นความดีของท่านว่าเราขอยอมรับนับถือความดีของท่านที่เราจะรู้จากบาปบุญคนโทษประโยชน์ไั่ชประโยชน์ก็เพราะอาศัยท่านนหลายๆทำมาถึิฉันขายนาพระองค์มาทำมือในไว้ซึ็นแบบอย่างวิธีการนึกถึงพระสงฆ์หรือว่าถ้าเราพอใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งยาที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้ก็ใช้ได้ กระมวลความว่าเราศรัทธาอดีก็กรรมฐานนี้มีความสําคัญตามมาแล้วสามหนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าไปในหลวงคือยอมรับเนี่ถือพระพุทธเจ้าทำมานุสติยอมนับรับถือยอมรับถือพระธรรมสังขานุสติยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามรายการนี้พุทธบใบชานที่นั่งที่นี่ ถ้าไม่มีจิติบริดไปอย่างอื่นทุกคนครอบดีแล้วรวมความว่ากรรมฐาสนสาหรับศรัทธาจริตเราทรงแล้วได้สามอย่างแน่นอนแล้วก็กรรมฐานสาหรับแล้วก็กรรมฐานสำหรับพุทธจริตแล้วก็ทรงแล้วได้แน่นอนคือต้องการนิญญาณแต่เรื่องความตายวันนี้ก็ลืมมั่งไม่ลืมมั่งนะเข้าใจไหม นี่มีข้อหนึ่งที่มีความสาคัญที่จะพูดวันนี้ด้วยเวลาสมนาทีไปเวลาพูดคันนั่นคือศีลานุาตรราน ส, น ส, ส, สนติกรมมฐานสําหรักสัตยจริตสัตาจริตจะมีสีลาวุสติกัมมัฐานเป็นประจำใจด้วยนี่ยังไม่หมดนะพวกนี้ต่ออีก ส, สําหรับศีลานุสติขั้งสำนักครวญก็มีชิ้นห้าเป็นสำคัญถ้ามีชิ้นแปถือว่าเป็นกําไร ศินห้าเน่ต้องทรงตัวให้ได้ถ้าทรงตัวสินห้าได้มีความพระ พ, ระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสองมีสินห้าทรงตัวแล้วกสนีเรสถาจรตินะวันนี้อยู่แค่นี้แล้วก็สำหรับพุทธริติแล้วก็มีอุปสมานุติประจำใจไม่มีอยู่แล้วคือนึกถึงพระธรรมปานเปไ็นอารมณ์ทุกคนต้องการมีพาน แต่ว่าให้เสริมบารณานุติกกรรมฐานเพื่ออย่างใน พ, พุทธจริญสังกัดอย่าลืมนึกว่าคิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไปเสมอถ้าทุกคนปฏิบัติได้อย่างนี้ทรงตัวไลว้คุมศินให้ทรงตัวด้วยถ้าคุมศินทรงตัวได้แล้วทุกคนก็เป็นประโสดาบันไม่ยากเพราะสัทธาจริตที่เป็นจริญสนับสนุนระโสดาสีธาคามีเดตรู แล้วก็เป็นอราหันต์ก็ได้โดยวันนี้วันพรุ่งนี้จะพูดถึงอราหารันต์เพราะมันจะดีนี้หวังว่าบรรดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจหรือไม่เข้าใจเข้าใจหรือไม่เข้าใจคนพูดก็ถือว่าทุกคนเข้าใจท้งไงฟังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องคนพูดเองก็เสียงไม่ค่อยดีลิ้นไม่คอยแข็งเพรายังป่วยคอยย้อนอีกนิดหนึ่งว่าสําหรับ ท่านที่มีศรัทธาจริต ก, กับพุทธจริญควบเป็นบุคคลที่ได้เปรียบในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลสำหรับพุทธจริตเมษีให้อำมายใช้สองเืนหนึ่งมรณานุสติกรรมฐานยึดความตายเป็นอารมณ์ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่ า, าจจะตายวันนี้มนเสมอแล้วเร่งรักทงความดี ความดีที่เราจะพึงทำก็คือหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มีชิ้น้ายบริสุทธิ์นักขครอุปสมานุติกรรมฐานเป็นกรรมารรฐานพทุพทธจริุท้ายจริคุไท้ายคิดไว้เสมอว่าถ้าเราตายเมื่อไรขอปณิพันธ์เมื่อนั้นเท่านี้ทุกคนเป็นประโสดาบันแน่นอนอรับนบรรดาสามกองสมเด็จพระจุนวร การแนะนำท่านก็ ข, ขอแนะนำตามเะดิตของบุคคลเพื่อได้มาผลโดยเร็วตอนนี้ไปขุนบรรดาจะผู้ตัวใหญ่สัตว์สุนารตั้งใจสมาทานศีลว่าท า, า, านเป็นปรมธาน